หมิงหนึ่งในตำนานแห่งวิญญาณร้ายที่แฝงกายอยู่ในป่าลึกมักจะใช้เล่เพทุบายหลอกล่อผู้ที่เดินทางผ่านไปมาเอามาเป็นเหยื่อกลายเป็นหนึ่งในอาถรรพ์ที่คนเดินป่าทั้งหลายต่างก็หวาดกลัวแล้วก็เล่าขานกันสืบมาให้ลูกหลานได้ระมัดระวังตัวจนถึงทุกวันนี้ ตามที่ได้กล่าวไว้ในตำนานนะคะระบุว่าเสือสมิงนั้นเป็นคนที่กลายเป็นเสือโดยเกิดขึ้นจากอาถรรพ์ของสายเวทมีฤทธิ์มีอำนาจมากกว่าเสือธรรมดามากมายชื่นชอบการจับกินคนไปเป็นอาหารค่ะโดยหลังจากนั้นวิญญาณของคนที่ถูกจับกินก็จะสิงสู่อยู่ในตัวเสือสมิงทาให้มีอำนาจแล้วก็ฤทธิ์มากกว่าเดิมนอกจากนั้นนะคะยังสามารถแปลงกายเป็นคนที่ถูกกินได้อีกด้วยโดยการแปลงกายนั้นมักจะทําเมื่อ ต้องการล่อหลอกเหยื่อรายต่อไปเท่านั้นนอกจากนั้นค่ะเสือสมิงกินคนมากขึ้นเท่าไหร่พลังอํานาจและก็อิทธิฤทธิ์ก็จะยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นตามที่กินผู้คนไปนะคะส่วนของตํำนานเสือสมิงได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์แล้วก็วรรณคดีอยู่หลายครั้งซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการบันทึกในพระราชหัตทะเลขาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ท่านได้เสด็จประพาสต้นไปยังจังหวัดจันทร ทับบุรีเมื่อปีพุทธศักราช2419ค่ะโดยพระองค์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์เสด็จเรือพระที่นั่งอัครราชวรเดชแล่นไปยังชายฝั่งทะเลของทิศตะวันออกนะคะการแปลพระสถานครั้งนั้น จุดประสงค์หนึ่งก็เพื่อต้องการให้พระพาลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงนอกจากนั้นพระองค์เองก็ต้องรับรู้นะคะถึงความเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งในระหว่างที่พระองค์ทรงโปรดเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในระหว่างเส้นทางการประพาสทรงได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรว่ามีความสุขหรือว่ามีความทุกข์ยากเพียงใดนะคะระหว่างนั้นเองค่ะพระองค์ได้ทรงบันทึกไว้ว่าเมืองจันทบุรีขณะนั้นเต็มไปด้วยป่าไม้มีบรรดาสัตว์ป่าอยู่ เป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นมา้า เป็นเสือนะคะแล้วก็เสือนี่ก็เรียกว่าเป็นสัตว์ร้ายแล้วก็เป็นสัตว์ป่าที่มีอยู่มากเป็นอันดับต้นๆของจันทบุรีในขณะนั้นค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือว่าในช่วงเวลาดังกล่าวชาวบ้านที่จันทบุรีถูกเสือเข้ามาจับกินถึงในบ้านแล้วก็ลากไปนในป่าเอาดือด้อเลยสร้างความหวาดกลัวไปทั่วโดยพรานผู้มีประสบการณ์ให้ความเห็นนะคะว่าเสือตัวดังกล่าวนี้น่าจะเป็นเสือแก่ที่เชื่องชามาก เพราะว่าไม่สามารถล่าสัตว์ในป่าที่มีความว่องไวก็เลยหันมาล่าคนแทนเพราะว่าคนนันนี้ระวังตัวน้อยกว่าสัตว์ที่อยู่ในป่านะคะแล้วก็มีที่อยู่ที่อยู่แน่นอนค่ะ เรื่องราวของเสือกินคนนั้นทําให้ชาวบ้านไม่กล้าที่จะเข้าไปหาของป่าหรือแม้แต่เวลากลางคืนก็ไม่เป็นอันต้องนอนกันต้องคอยเฝ้ายามเพื่อไม่ให้เสือลากไปกินนะคะเรื่องนี้จึงร้อนถึงพระยาจันทบุรีต้องออกมากํำราบเสือเหล่านี้ซึ่งในขณะนั้นท่านได้รวบรวมพรานผู้มีความชํานาญป่าจํานวนมากเพื่อออกไปล่าเสือหากว่าใครไม่มีปืนหรือขาดอาวุธทางการก็จะจัดหาให้ซึ่งใช้เวลาไม่นานค่ะเสือจำนวน ก, ก็ถูกสังหารส่วนเสือที่เหลือก็หนีเข้าไปในป่าลึกนะคะหลังจากเหตุการณ์สงบได้ไม่นานค่ะก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีข่าวลือว่าเสือสมิงเนี่ยมีมาวนเวียนอยู่ในป่าจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบก็ได้บันทึกเรื่องราวดังกล่าวไว้ดังนี้นะคะราษฎรลือเกี่ยวกับเสือสมิงกันมากจนทาให้ความหวาดกลัวไปทั่ว เล่าสืบต่อกันมาว่ามีอาจารย์ชาวขเขมรผู้หนึ่งสามารถสร้างน้ำมันเสือสมิงขึ้นมาได้ต่อมามีสิทธิ์ทั้ง3คนของท่านได้แอบเอาน้ำมันดังกล่าวไปทาปรากฏว่าทั้ง3ได้กลายร่างเป็นเสือสมิงซึ่งเสือตัวหนึ่งได้พลัดหลงจากเมืองขเขมรมายังป่าแถบจันทบุรีบรรดาพ่อแม่ญาติพี่น้องของสิทธิ์ทั้ง3ก็ติดตามมาตั้งแต่ป่าขเขมรมาตลอดแต่ก็ยังจับไม่ได้สักทีระหว่างทางเสือตัวดังกล่าวก็ได้กัดคนตายมาโดยตลอด โดยที่พลิ้วสองคนปากจั่หนึ่งคนป่าสีเซนอีกสองคนรวมทั้งหมดเป็น5คนอาจารย์คามนนั้นยังได้บอกอีกว่าหากเสือสมิงนั้นยังไม่เคยกินคนสามารถทำให้กลับคืนเป็นร่างมนุษย์ได้โดยการเอาไม้ขานตีหรือไม่ก็เอากระลาครอบรอยเท้าเอาไว้แค่นี้ก็กลายเป็นคนแล้วแต่ในครั้งนี้คงไม่ได้ผลเพราะลูกสิธิ์เสือสมิงนั้นกัดคนตายมาแล้วถึง5คน คุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรื่องราวของเสือสมิงนั้นแพร่กระจายออกมาจนทราบถึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระองค์ทรงไม่เชื่อเรื่องที่เล่าลือนั้นซะทีเดียวนะคะเพราะว่าจากบันทึกของพระองค์ได้ทรงบันทึกเอาไว้ว่าในครั้งที่สัตหีบตอนที่น้ำจืดในเรือหมด จำต้องให้ทหารขึ้นไปตักน้ำจืดที่หนองบกที่อยู่ไกลจากฝั่งประมาณสามเส้นชาวบ้านแถบนั้นก็เล่าให้ฟังว่าในป่าแถบนี้มีเสือสมิงมาวนเวียนอยู่พระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์ที่ติดตามลูกศิษย์ที่กลายเป็นเสือสมิงก็ได้มานั่งรออยู่ที่ใต้ต้นตาล เพื่อคอยแก้ให้สิทธิ์กลับกลายเป็นคนเมื่อทหารกลับมาก็เล่าให้ฟังพระองค์ทรงอยากที่จะไปเห็นสักครั้งด้วยพระองค์เองจะตามตัวพระอาจารย์ดังกล่าวมาพบแต่ก็ติดที่ดึกมากแล้วพอรุ่งเช้าให้คนไปตามก็พบว่าอาจารย์ดังกล่าวไปจากสัตหีบซะแล้วหรือไม่ครัวอาจารย์ก็อาจถูกเสือจับกินไปแล้วอย่างไรไม่รู้ นอกจากเรื่องของเสือสมิงในพระราชหัตทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แล้วนะคะยังมีเรื่องราวของเสือสมิงอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของพระธุดงผู้มีอาคมแก่กล้ารูปหนึ่งโดยท่านได้เล่าเอาไว้นะคะว่าในครั้งที่ท่านเดินทุดงเพื่อฝึกปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นค่ะท่านได้ผ่านไปถึงสำนักสง์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่แถวเชิงเขาที่นั่นนะคะก็ถือว่าเป็น สำนักสงที่ดูวววังิอ่าวังเวงมากนะคะ จนในตอนแรกท่านก็คิดว่าไม่น่าจะมีพระอาศัยอยู่แต่กลับพบพระภิกษุรูปร่างหน้าตาดุอยู่รูปหนึ่งจําพรรษาเมื่อพระธุดงเข้าไปนั่งข้างในก็พบว่าเข้าของเครื่องชาใช้ถูกวางโดยเกะระกะนะคะแล้วก็รกรุงรังเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมานานมากพระธุดงจึงถามพระภิกษุดังกล่าวว่าในวัดนี้มีท่านคนเดียวหรือพระภิกษุได้เล่า ว, ว่าพื้นที่แถวนี้เสือดุจนทําให้ไม่มีพระภิกษุองค์ไหนกล้าจำพรรษานอกจากท่านรูปเดียว พระธุดงเมื่อเข้าใจเรื่องราวจึงค่อยๆวางใจไปได้เปล่ะหนึ่งแต่ก็ยังมีเรื่องแปลกใจอยู่เพราะว่าสำเนียงของพระภิกษุรูป น, า น, านาั้นนะดูพีก่กนจะว่าเป็นสำเนียงจำเพาะของคนแถบใดแถบหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นสำเนียงที่ไม่เหมือนกับ ที่เคยได้ยินมานะคะอีกทางรอบวัดก็เต็มไปด้วยข้าวของแล้วก็ญาดรกเหมือนไม่มีคนพักอยู่บริเวณนี้มานานพระทุดงจึงตัดสินใจปักกลดอยู่บริเวณลานวัดห่างออกไปเพียง100เมตรเท่านั้นค่ะซึ่งไม่นานพระทั้งสองก็ต่างแยกย้ายกันไปด้วยอากับกิริยาแปลกๆของพระรูปนั้นนะคะรวมไปถึงความผิดปกติโดยรอบของวัด ทำให้พระธุดงนึกถึงเรื่องราวที่เคยได้ยินมาว่าพระกลายเป็นเสือสมิงโดยเกิดจากคนที่มีสายเวทกล้าแกร่งจนสามารถกลายร่างเป็นเสือจากนั้นคอยจ้องทำร้ายผู้ที่ผ่านไปมาซึ่งมักจะเลือกเฉพาะพระธุดงจนสามารถแปลงกลายเป็นพระธุดงได้นะคะ สำหรับพระธุดงรูปนี้ค่ะใช่ว่าจะเป็นพระธุดงธรรมดาทั่วไปท่านก็มีวิชาอาคมแก่กล้าติดตัวมาเช่นกันหลังจากที่ท่านปักกรดเสร็จนะคะก็ใกล้เย็นมากแล้วท่านได้เอาควายธนูไม่ผ่ในย่ามออกมาแล้วเศษคาถาปลูกควายธนูแล้วก็วางไว้ที่หน้ากรดพร้อมทั้งอธิษฐานจิตว่าใครมุ่งร้ายขอให้าวี คุณผู้ฟังรู้ไมหมคะว่าคืนนั้นนั่นเองค่ะระหว่างที่พระทุดงกำลังนั่งบาเพ็ญภาวนาอยู่ในกรดนั้นก็ได้ยินเสียงควายธนูที่ท่านตั้งไว้เดินรอบกรดพร้อมกับเสียงหายใจแรงดังฟืดฟาดฟืดฟาดเนี่ยคะเหมือนกำลังจะบอกว่ามีสิ่งที่น่ากลัวและชั่วร้ายกำลังใกล้เข้ามาค่ะไม่นานนักนะคะก็มีกลิ่นสาบสือออกมาอย่างรุนแรงค่ะ ต่อมาก็มีเสียงควายธนูตะกุยดินอย่างหนักเหมือนเตรียมจะสู้กับอะไรบางอย่างจากนั้นควายธนูก็กระโจนไปข้างหน้าในความมืดแล้วก็เกิดเสียงดังเหมือนกับว่ากําลังต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่นานกว่าสินาทีจึงเงียบไปรุ่งเช้าพระธุดงก็เก็บกลดเก็บข้าวของอย่างเรียบร้อยรวมทั้งเจ้าควายธนูที่ตั้งอยู่หน้ากลดอีกด้วยท่านสังเกตบริเวณโดยทั่วไปโดยรอบค่ะว่ามีร่องรอยการต่อสู้ของสัตว์ใหญ่2ตัวซึ่งท่านเองก็ไม่ได้สนใจพร้อมกันนั้นก็ได้เดินเข้าไป ในโบสถ์เพื่อจะอำลาพระภิกษุรูปดังกล่าวนะคะปรากฏว่าภาพที่ท่านเห็นนั่นคือพระภิกษุรูปดังกล่าวกำลังนอนอยู่บนเสือท่าทางอิดโรยและก็เหมือนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักค่ะแต่ยังอดทนเก็บอาการลุกขึ้นมาคุยกับท่าน พร้อมทั้งขอร้องให้ท่านอยู่ต่ออีกคืนแต่พระธุดงก็ได้ปฏิเสธไปเพราะยังต้องไปอีกหลายแห่งค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวเสือสมิงที่เล่าจากปากของพรานเท่าผู้ช่ำชองในป่าดงพญาเย็นด้วยวัย80ปีของท่านเองนะคะทำให้ทุกวันนี้จึงหันไปทำการเกษตรเลี้ยงชีพแทนการล่าสัตว์ ท่านเล่าให้ฟังก็ยังจำได้เสมอค่ะถึงเรื่องของเสือสมิงที่พ่อเคยเล่าให้ฟังในสมัยยังเด็กอายุมันสัก 6-7 ปีโดยท่านเล่าให้ฟังว่าในสมัยนั้นดงพญาเย็นยังใช้ชื่อเดิมว่าดงพญาไยบรรดาสัตว์ร้ายต่างๆนั้นมากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็พ่อเนี่ย เป็นพ่อของท่านแล้วก็เพื่อนนะคะได้ออกไปล่าสัตว์เหมือนทุกครั้งโดยมีการสร้างห้างนะคะซึ่งเป็นที่พักแรมที่อยู่บนต้นไม้สูงขณะนั้นก็ได้สร้างจากไม้กระดานเก่าๆเพียงไม่กี่แผ่นแล้วก็ตอกด้วยตะปูติดกับต้นประดู่ที่แข็งแรงแล้วก็สูงค่ะ ขณะที่พ่อและก็เพื่อนกำลังนั่งอยู่บนห้างสายตาก็กำลังจับจ้องมองหาเหยื่ออยู่นั้นก็ได้ยินเสียงคำรามดังกล้องไปทั่วป่าทุกคนนั้นก็พากันตกใจแทบตกห้างนะคะสัตว์ใหญ่น้อยพากันวิ่งเหมือนว่าหายนะกาลังจะมาถึงไม่นานนักนะคะเจ้าเสียงดังกล่าวก็ปรากฏว่า เป็นเสือตัวยักษ์ที่เยื้งย่างอย่างช้าๆอย่างไม่กลัวใครสุดท้ายก็มาหยุดอยู่ที่บริเวณต้นประดู่ที่นายพลทําห้างไว้นะคะทุกคนที่เห็นเจ้าเสือตัวนี้อย่างชัดเจนร่างกายกํายำกรลงเล็บที่ยาวคมวาวพร้อมตะปบเหยื่อที่เข้ามาใกล้แต่ที่น่ากลัวที่สุดคุณผู้ฟังนั่นคือแววตาที่แดงกล่าไม่เหมือนเสือธรรมดาทั่วไปนอกจากนั้นกลิ่นสาบเสือที่รุนแรงเป็นเอกลักษณ์ของมันเนี่ยกระจายไปทั่ว สิ่งที่ทุกคนกังวลในขณะนั้นก็คือหากว่าเจ้าเสือร้ายตัวนี้เนี่ยสามารถขึ้นมาบนห้างได้ก็เชื่อนะคะว่าทุกคนคงไม่พ้นชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือตายนะคะในขณะเดียวกันค่ะทุกคนกลัวจนทําอะไรไม่ถูกอยู่นั้นพ่อของของพลานนะคะที่ท่านเป็นผู้เล่าให้ฟังเนี่ยได้สตินะคะเพราะรู้ว่าเสือที่พบคราวนี้เนี่ยไม่ใช่เสือธรรมดาตามป่าเขาแน่มันคือเสือสมิงท่านก็เลยท่องนนโม3ามจบ จากนั้นก็ต่อด้วยท่องคาถาไล่เสือสมิงที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษปรากฏว่าเพียงไม่นานค่ะเสือตัวดังกล่าวหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนสลายไปกับธาตุอากาศนะคะโดยหลังจากที่เสือตัวใหญ่ตัวนี้หายไปทุกคนก็อยากที่จะกลับบ้านค่ะไม่มีใครต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากรักษาชีวิตของตัวเองออกจากป่าแห่งนี้ไป แต่เวลานั้นเป็นเวลาโ p ล่เพลใกล้ค่าเต็มทีค่ะหากลงจากห้างไปคงต้องออกจากป่าตอนค่ำเนี่ยไม่ทันอย่างแน่นอนแล้วก็คงจะต้องกลายเป็นเหยื่อของเจ้าเสือตัวเมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องสงสยัยดังนั้นทุกคนนะคะก็เลยตกลงกันว่าอ่ะเมื่อถึงรุ่งสางของวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้ค่อยกลับบ้านละกัน เมื่อเข้าสู่กลางคืนทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตารอให้พระอาทิตย์ขึ้นโดยเร็วป่าโดยรอบก็เงียบสงัดวังเว ง, วงเป็นอย่างมากค่ะคืนนั้นคืนเดือนมืดก็ยิ่งทําให้บรรยากาศน่ากลัวยิ่งขึ้นมีเพียงแค่คบเพลิงไฟแล้วก็ไฟฉายนะคะที่พอจะทําให้อุ่นใจได้ซึ่งขณะที่ทุกคนเคลิ้มใกล้จะหลับอยู่แล้ว ก็มีเสียงคนสองคนกำลังเรียกพ่อของพรานเท่าและก็เพื่อนๆ น, นะคะเมื่อทุกคนมองลงไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ20กา่กว่าแต่งตัวเหมือนชาวบ้านทั่วไปกำลังเรียกให้ทุกคนลงไปหาโดยบอกว่าเป็นชาวบ้านที่หลงป่าอยู่นานแล้วอยากขึ้นไปพักบนห้างด้วยแต่ขึ้นไม่ได้ช่วยมาดึงขึ้นไปหน่อย เพื่อนคนหนึ่งกำลังจะลงไปรับค่ะแต่ว่าพ่อของพรานเท่าเนี่ยท่านก็ได้ห้ามเอาไว้เพราะเห็นว่าสิ่งผิดปกติในชายหญิงคู่นี้ก็คือทั้งคู่ไม่กล้าไม่กล้าสบตานะคะในขณะที่พูดนอกจากนั้นยังมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นสาบเสือเหมือนตอนกลางวันคระคลุงไปหมดเลยไม่ยอมเดินไปไหนนะคะแล้วก็เดินไปรอบๆต้นประดู่พยายามที่จะขึ้นมาบนห้างหลายครั้งแต่ก็ขึ้นไม่ได้สักที ภายหลังพ่อของท่านก็เลยบริกรรมคาถาอีกครั้งชายหญิงทั้งสองจึงได้เดินเข้าไปในความมืดไม่นานค่ะก็มีเสียงคำรามดังทั่วนะคะทั้งป่าเลยพร้อมกับเสือยักษ์2ตัวกระโจนออกมา หนึ่งในนั้นเป็นเสือตัวเรื่องที่เจอเมื่อตอนเช้าซึ่งทุกคนยังจำภาพของมันได้ดีมันทั้งสองตัวพยายามที่จะขึ้นไปยังห้างแต่ก็ขึ้นไม่ถึงจึงกระโจนเข้าไปในความมืดอีกครั้งบริเวณดังกล่าวก็เลยกลับเข้าสู่ความสงบนั่นเองค่ะจนกระทั่งรุ่งเช้านะคะทุกคนก็พากันกลับบ้านอย่างปลอดภยัยพ่อของพรานเท่าก็เลยนาเรื่องราวดังกล่าวมาเล่าแก่ลูกชายเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่าทุกครั้ง ที่เข้าป่าเนี่ยมันอันตรายมากแค่ไหนตัดสินใจผิดครั้งเดียวนะคะไปด้วยฟังอาจจะหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตเลยก็ว่าได้อีกเรื่องราวนึงค่ะเป็นเรื่องของสมิงที่โด่งดังเป็นอย่างมาก จนมีการนําไปลงหน้าหนังสือพิมพ์ทําให้มีชื่อของเสือสมิงเนี่ยกลับมาสร้างความหวาดกลัวอีกครั้งโดยเรื่องนี้นะคะต้องขออนุญาตย้อนเวลากลับไปประมาณสัก30กว่าปีค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในแถบภาคเหนือของประเทศไทยโดยในขณะนั้นก็มีเสือตัวใหญ่ออกมาไล่ทําร้ายชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าวอยู่เป็นประจําค่ะจนทําให้ชาวบ้านหวาดกลัวกันเป็นจํานวนมากไม่กล้าที่จะเป็นอันทำ ม, มาหากินซึ่งต่อมาก็ได้ขอความช่วยเหลือให้หน่วยต่อชด เข้ามาช่วยเมื่อหน่วยตอชดอเข้ามาถึงก็ออกล่าเสือร้ายตัวนี้ทันทีค่ะหน่วยต่อชดอดักจับเจ้าเสือร้ายตัวนี้หลายครั้งแต่ก็ไม่พบร่องรอยของมันจนในที่สุดนะคะวันหนึ่งตอนดึกบริเวณศาลาที่ตั้งของหน่วยตชดอก็เกิดโยกเอ็นไปมาตชะดอทั้งหมดที่อยู่ในนั้นก็ตกใจปรากฏว่า เป็นร่างเจ้าเสือยักษ์ตัวดังกล่าวยืนอยู่ที่โคนเสาค่ะไม่รอช้านะคะตอนชดอก็พายันกระหน่ำยิงจนเสือตัวนั้นบาดเจ็บแล้วก็หนีไปพอถึงรุ่งชเช้าก็ออกแกะรอยเสือตัวดังกล่าวโดยตามรอยเลือดเหล่านั้นไปสุดท้ายนะคะรอยเลือดก็มาหยุดที่บริเวณเนินดินแห่งหนึ่งด้วยความสงสัย ก็เลยช่วยกันขุดดินบริเวณนั้นขึ้นมาปรากฏค่ะว่าสิ่งที่พบใต้พื้นดินเนี่ยเป็นศพของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งส่วนท่อนบนเป็นมนุษย์ท่อนล่างนั้นยังเป็นเสือลายพาดกรอนตัวใหญ่จึงทำให้ทุกคนในขณะนั้นพากันเงียบหมดด้วยความตกใจแล้วก็นำเรื่องดังกล่าวกลับไปถามผู้เฒ่าผู้แก่บริเวณนี้ท่านทั้งหลายต่างให้ความเห็นตรงกันค่ะว่าชายคนนี้ก็คือเสือสมิงแต่ยังไม่เป็นอย่างสมบูรณ์สาเหตุที่เสือสมิง เป็นเสือสมิงนั้นเป็นเพราะว่าไปผิดผีนะคะแต่เรื่องราวที่ว่าไปผิดผีอย่างไรมีทางแก้ไขไหมหรือยังมีใครอีกหรือเปล่าที่เป็นอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยจึงเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาแล้วก็เรื่องนี้ค่อยๆเงียบไปแล้วก็ลืมเลือนไปค่ะเสือสมิงนั้นนะคะคุณผู้ฟังหากที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแปลงกายเป็นเสือแล้วก็เกิดลุ่มหลงในวิชาดังกล่าวจนคืนร่างเดิมไม่ได้ต้องคอยอาศัย อยู่ในป่าลึกเพื่อคอยกัดกินผู้คนที่ผ่านไปมานอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคาถาแปลงร่างเป็นจระเข้อีกด้วยโดยวิชาเหล่านี้จะเสกของเข้าตัวแทนที่จะเข้าเครื่องรางของขลังทุกวันนี้นะคะคาถาเหล่านี้เริ่มลืมเลือนไปจากหน้าประวัติศาสตร์มากแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครกล้า ป, ปฏิเสธนะคะว่าในป่าลึกบางแห่งยังมีเสือสมิงหลงเหลืออยู่ขึ้นอยู่ว่าใครจะโชคอะไรไปพบกับมันเท่านั้นเองค่ะ